การปฏิบัติธรรมนะเราจับหลักให้แม่นเราพ้นทุกได้เนะี่ยไม่ใช่เพราะเราปรุงแต่งจิตสําเร็จบางคนนีปคิดว่าถ้าปรุงแต่งจิตเราได้ดีนะ่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องกันเลยคนทั้งหลายก็พยายามปรุงแต่งจิตอน า, นาชนิดก็แต่งด้วยสมาธินั่นแหละประคองจิตให้นิ่งนิ่งน หรือทำจิตให้ดีๆหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุไม่เกี่ยวกันบางคนอ้างหลวงปู่ดูลด้วยนะหลวงปู่ดูลสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างวิธีที่จะอยู่ตรงนี้นะประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปหลวงปู่ดูลไม่เคยสอนอย่างนั้น กรทั่งในหนังสืออัตุโลไม่มีใดเทียมนะมีการเขียนว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตอย่างนั้นสอนดูจิตอย่างนี้อันนั้นสอนเป็นคนๆแต่ละคนนั้นภูมิจิตภูมิธรรมแตกต่างกันไปในหนังสืออัตุโลไม่มีใดเทียมนะบางทีมีพูดเรื่องวิธีดูจิตของหลวงปู่ดูลสอนบางทีบางคนก็ ก็บอกว่าให้พุโทโธพุธโทโธนะเราประคองจิตไว้นิงน่งๆิอันนั้นหลวงปู่ดูลนก็สอนครูบาอาจารย์หนึ่งก็สอนแต่มันเป็นการดูจิตในขั้นของการทำสมำถกรรมฐานจิตบางคนมันฟุ้งมากหรือพื้นฐานยังไม่มีท่านฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนให้จิตสงบตั้งมั่นไม่ใช่สงบอย่างเดียวต้องสงบแล้วตั้งมั่นด้วย จิตที่มีสมาธินั้นะมีสองจำพวกพวกหนึ่งสงบเฉยๆพวกหนึ่งสงบแล้วตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้จิตสงบจะยากอะไรหารมที่ถูกใจจิตมายั่วคนชอบเล่นไท่เล่นไท่จิตก็สงบได้นะชอบฟังเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยฟังแล้วจิตก็สงบได้อยู่ที่ใจชอบอะไรหรือรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจมันก็สงบ รู้พุโทโธจิตไหลไปรวมเข้ากับพุโทโธจิตก็สงบอันนั้นอยู่ในขั้นสมถะนะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือฝึกจิตให้ตั้งมั่นหัดพุดโทโธไปแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันอย่างมากาหนดไว้ตรงนี้คุณแม่จันดีท่านถามว่าหลวงพ่อภาวนามาเริ่มต้นมายัางไงคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเรียนจากทางท่านพ่อรี ท่านสอนอนาปนาสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งนะลมมันจะสั้นสั้นๆหยุดอยู่ตรงนี้สว่างขึ้นมาแล้วก็ดูจิตอยู่ตรงนั้นรักษาจิตเอาเองบอกอันเดียวกัน่อันเดียวกันแต่การดูจิตดูใจไม่ได้ไปจบอยู่ตรงที่เอาจิตมานิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวหนะลวงพูด่ดูลสอนบางคนให้ดูจิตดูใจด้วยกันให้พุโทโธนะ เุโทโธจนกระทั่งพุโทโธหายไปเหลือแต่จิตอนะันเดียวอันนี้ท่านก็สอนเหมือนกันแต่นั้นมันเป็นการดูจิตดูใจในขั้น ข, นของการทําสมถกรรมฐานแล้วการดูจิตดูใจในขั้นที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมามันไม่เหมือนกันทีเดียวถ้าดูจิตดูใจในขั้นทําสมถะนะไม่ต้องไปดูตัวจิตน้อมจิตไปอยู่ในอารอมณ์อันเดียวเลยอย่าไปดูตัวจิตตรงๆ อย่างนั้นก็ได้เช่นหายใจเข้าหายใจออกนะรู้ลมหายใจอย่าไปดูจิตนันอันนี้ก็ได้สมถะจิตรวมเข้ากล็ลมได้สมถะอีแบบหนึง่งเพ่งตัวจิตไว้เลยดูตัวผู้ ด, ดูเพ่งตัวผู้รู้ไว้ไม่คิดไม่เนึกอะไรประคองจิตให้นิ่งให้ว่างในดูตัวจิตตรงๆเพ่งใส่ตัวจิตตรงๆก็เป็นสมถะเพ่งใส่อารมณ์ตรงๆ ก็เป็นสมถะนะนี่ทำไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องรู้ก่อนจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนะ่กลับข้างกั น, เ, นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดได้จิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นหัดพุทโธไปหัดหายใจไปเหมือนที่เคยทำสมถะแต่ไม่ได้น้อมจิตเข้าไปอยู่ที่อารมณ์แล้วก็ไม่ได้เพ่งใส่ตัวจิตด้วย เอาแค่ว่ารู้ว่าอารมณ์มันเดียวแล้วจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้บางคนทำอย่างนี้ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยสอนด้วยซ้ำไปว่าส่งจิตไปตามร่างกายของเราส่งจิตไปอยู่ที่ผมแล้วรู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ผมส่งจิตไปอยู่ที่ขนเช่นไปอยู่ที่คิ้วเงี้ยรู้ทันไปอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเนี่ยตามอวัยวะต่าง จิตเคลื่อนไปอยู่ตรงไหนรู้ทันจิตเคลื่อนไปตรงไหนรู้ทันสุดท้ายมันจะรู้ทันจิตนะพอรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหรือกระทั่งเคลื่อนไปคิดก็ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดหรือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปในร่างกายก็ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปดูไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้ขอให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเท่านั้นเองจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาไม่เคลื่อนไป แต่อย่าไปเพ่งอย่าไปห้ามอย่าไปห้ามเคลื่อนนะมีลูกเล่นเยอะนะมีรายละเอียดอันนี้เราต้องค่อยๆฝึกฝึกไปนานไปเราก็เข้าใจว่าอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดที่ถูกไม่มี <c oughs> มีแต่ผิดๆไปเรื่อยนะมารู้จักที่ผิดแล้วมันรู้จักที่ถูกเองส่วนที่ถูกแท้ๆนั้นทําขึ้นมาไม่ได้เจตนาทําขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ผิดเลย งัเรามาหาดดูจิตดูใจตัวเองนะถ้าจิตเราน้อมจิตไปให้อยู่ในอารมณ์เดียวหรือเพ่งใส่ตัวจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนี้เป็นสมถกรรมฐานอันที่สองถ้าจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันเราไม่ได้เจตนาให้เคลื่อนมันเคลื่อนไปเราคอยรู้ทันนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนั้นปกติเคลื่อนไปได้หประนวัน เคลื่อนไปดูนะไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนไปทางใจนี่ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเคลื่อน ท, งทางหกทวันดูยากมันเยอะไปรู้มันทวารเดียวคือที่ใจก็พอละ ว, วันวันหนึ่งจิตหนีไปคิดบ่อยที่สุดรองลงไปสําหรับคนตาไม่บอดก็คือหนีไปดูส่วนหนีไปคิดนี่เป็นทุกคนคนตาบอดก็หนีไปคิดได้คนตาดีก็หนีไปคิดได้ จิตวันนึงนะกิจกรรมหลักที่จิตทำนึ่คือหนีพิคิดตรงนั้นแหละจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นให้เรารู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดพอนีไปคิดเรารู้ทันไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะบางคนบอกให้ปัดความคิดทิ้งประคองจิตให้นิ่งอันนั้นเรื่องของสมถะถ้าจะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปแล้รู้นะฝึกมากมาก ในสุดจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลจิต ท, ที่ตั้งมั่นก็ตรงข้ามกับจิต ท, ที่ไหลถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันทีที่รู้จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติไม่ต้องจงใจให้ตั้งรู้บ่อยๆนะในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูลวงพ่อเคยทำสมาธิตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบทำอานาปานสตินะทีแรกก็จิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลาตามอารมณ์ไป รู้ลมหายใจนะี่จิตไหลตามลมไปเรื่อยนี่สุดลมมันสั้นๆสว่างขึ้นมาสว่างแล้วจิตไปอยู่กับความสว่างความสว่างนั้นเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเป็นสมถะนะเสร็จแล้วสติมันอ่อนจิตมันเคลื่อนออกข้างนอกไปอีกมันทิ้งตัวสว่างนี้มันตามแสงออกไปอีกเห็นแสงสว่างไปมองใส่มันมันตามแสงสว่างออกไปไปเกิดนิมิตนะเห็นสวรรค์เห็นอะไรนรกไม่เอา เอาแต่สวรรค์อยากดูว่าสวรรค์นหน้าตาเป็นยังไงโอ้สวยนะดอกไม้เยอะแยะเลยแต่พวกเทวดาเนี่ยเวลาปลูกดอกไม้เนี่ยไม่ปลูกเหมือนมนุษย์นะของเราปลูกอย่างละต้นสองต้นใช่ไหมคล้าคล้ากันที่ดินเขามีไม่มีประมาณปลูกนะโอ้โหพึบเลยสมมุติบกปลูกดอกลิลลี่นะก็ลิลลี่ทั้งแปลงเลยนะยาวเป็นโยดโยดเลยเขาไม่เดินดูหรอกเขาลอยไปดู ดูลงไปโคนต้นไม้ก็ไม่มีดินนะมีแต่ต้นโผล่ขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยโอเนี่ยจิตมันปลุงขึ้นมานะจิตมันหลอนขึ้นมาแล้วจิตมันออกนอกตามแสงสว่างไปสมาออกไปออกมาเรื่อยๆเนะที่ยวเล่นไปวันหนึ่งฉเฉลียวใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผีจะทํำยังไงไปเจอเทวดาเราไม่กลัวนี่ถ้าเจอผีเราจะสู้มันไหวหรอเดี๋ยวมันจับเราไปกลัวผีนะหลวงพ่อกลัวผีมากในตอนเด็กๆ เขวบนะัไม่เอาต่อไปนี้เราจะไม่ให้นั่งให้เคลิมเรารู้แล้วว่าถ้านั่งแล้วเราไปดูดวงสว่างนี้นะแล้วใจมันเคลิ้มลงไปนะ้ําจะออกไปเที่ยวเรารู้เลยที่หนีเที่ยวมันอยู่ตรงนี้ อ, อยากรู้อะไรมันก็ไปนะจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ว่ามันไปรู้ไปเห็นเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าเห็นนะเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกนะจิตหลงไปงั้นไม่ดี แต่ไปนี้ไม่ให้ขาดสติหายใจไปพอมันสว่างขึ้นมาก็แค่รู้อยู่นะไม่ให้จิตไหลไปให้จิตตั้งจะ ไ, ได้ตัวรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นนะไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะภาวนานอย่างไงต่อเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าจิตสงบตั้งมั่นแล้วให้พิจารณา ก, กายหลวงพ่อลองพิจารณากายนะัน้นนาทีเดียวระเบิดหมดละว่วางๆอยู่งนะั้นเลยก็สว่างว่างรู้เนื้อรู้ตัว ไม่รู้จะไปต่อยังไงนะก็ะติดสมถะอยู่แค่นั้นเองไม่ได้เรื่องเสียเวลาอยู่ตรงนี้ยี่สิบสองปีไม่เจอหลวงพุ ด, ดูดนะท่านให้หัดดูจิต ด, ดูใจหลวงพ่อมาสวดมนต์คิดบทสวดมนต์ขึ้นในใจพระพุทธโทสุดๆโทรกรุณามหันโนวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันบเห็นใจมันคิดขึ้นมาความคิดมันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างนะความคิดมันเลื้อยขึ้นมาได้นะ เหมือนงูเลื้อยออกจากถ้าเลยเลื้อยออกมาเลยใจเป็นคนดูอยู่ทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดเลยจิตถอนตัวออกจากการคิดแนละ้วเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นมาให้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็นึกได้ไอ้นี่ตัวเดิมแหละตัวอย่างเก่าที่เคยนั่งสมาธินะแล้วนั่งสมาธิแล้วมันก็มีตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วจิตตัวนี้ไม่มีปัญญานะก็ยังเข้าไปเกาะอารมณ์อีก เราพยายามแก้เวลาจิตค่อยจับอารมณ์พยายามแก้ไขคิดว่าดูจิตคือต้องดัดแปลงจิตไม่ให้เกาะอารมณ์เนี่ยเห็นไมเพี้ยนเพี้ยนเยอะนะที่คําว่าดูจิตดูจิตอ่ะบางคนบอกดูจิตก็คือประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไอ้นั่นเรื่องของสมถะละนี่หลวงพ่อเห็นอีกจิตไปรวมกับอารมณ์หาทางแก้บางทีระเบิดอารมณ์ไปเลยจิตก็หลุดออกมาบางทีเฉือนมันบางทีทําอย่างนี้ทําลายมันไปจิตถอนตัวออกมาพอจิตถอนตัวมาตั้งมั่นเด่นดวงอย่างนี้เราไปเฝ้าอยู่ตัวนี้ไหม เราบอกนี่เราดูจิตนี่เราดูตัวจิตเจอแล้วไม่ได้ไปเกาะอารมณ์นะแยกออกมาดูจิตได้ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลนี่ฝึกอยู่สามเดือนนะฝึกอยู่สามเดือนจนจิตเข้าไปเกาะแล้วก็จัดการได้แนละ้วหลุดออกมาบหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วที่หลวงปู่สั่งให้ดูจิตท่านถามดูยังไงโอ้จิตมันวิจิตพิสดาร น, นะมันต่างๆนานานนะมันปรุงน้นปลุงนี่มันเข้าไปจับนะ เราหาทางแก้มาเป็นมาได้ตัวจิตแล้วก็นั่งดูมันทั้งวันนึกว่าท่านจะชมนะท่บอกดูไม่เป็นหนกยังไม่ได้ดูจิตเลยอันนี้ไปแทรกแซงอาการของจิตในจิตมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งนะไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งจิตจะเข้าไปเกาะอารมณ์ก็ไปห้ามมันจะเอาจิตตัวเดียวโดโ ด, โดอยู่อย่างนี้นี่คือการแทรกแซงจิตทั้งหมดเลยให้ไปเรียนใหม่ให้ไปทาเอาใหม่ นี่หลวงปู่ดูไม่มีบอกนะว่าทำยังไงหลวงปู่ดูแค่บอกว่าให้ไปทำอะไรนะท่านเป็นครูชนิดนั้นนะเวลาสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนแบบไม่บอกวิธีแต่จะบอกว่าให้ไปทำอะไรเริ่มต้นบอกให้ไปดูจิตเราก็หาทางดูเอาเองดูอย่าทั้งมเนี่ยเห็นตัวจิตอยู่ทั้งวันนะ นึกว่าดูจิตท่านบอกไม่ใช่นี่ไปแทรกแซงจนกระทั่งจิตมันโผล่ขึ้นมาเด่นอย่างนี้ให้ไปดูใหม่สอนแค่นี้เองนะให้ไปดูจิตกลับมาเราก็มานึกดูหลวงปู่ให้ดูหลวงปู่ไม่ได้ให้ไปเพ่งจิตหลวงปู่ไม่ได้ให้ไปคิดเรื่องจิตหลวงปู่ไม่ได้ให้ไปแทรกแซงจิตตาอไปนี้เราจะดูจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้นะ ในบางคนวิจารณ์นะว่าหลวงพ่อสอนอย่างนี้ผิดนะว่าสอนอย่างนี้หลงเงาของจิตจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะก็รู้ไปเรื่อยทำไมไม่ตั้งเด่นดวงประคองให้นิ่งให้ว่างไอ้นั้นมันเรื่องสมถะนี่ดูอยู่อย่างนี้สี่เดือนนะไปส่งกันบ้านหลวงปู่ไปด้วยความมั่นใจไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องรับรองนะว่าจะต้องภาวนาดีไม่ดี ไม่สนใจเลยว่าภาวนาถูกหรือภาวนาผิดนะไปแบบเป็นกลางกลางนะไม่ได้ไปแบบพยองลําพองด้วยนะไปแบบสบายๆแค่ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังพอเริ่มพูดนะท่านก็พูดต่อให้เราแล้วเมื่อจิตมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็น ง, นนงนี้นะความรู้ท่านเยอะท่านว่าถูกภาวนาอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพราะฉนั้นการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูตัวจิตแต่ให้ไปดู ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกันจิตเนี่อันหนึ่งอันที่สองให้ไปดูกิริยาอาการของจิตกิริยาอาการของจิตเช่นจิตมันไหลส่งออกไปทางตาให้รู้ทันมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาส่งไปทางหูก็รู้ทันตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นก็ได้สมาธินะแต่พอไหลบ่อยๆไหลไปไหลมาบ่อยๆเราจะเห็นจะเกิดปัญญาโอ้จิตนี่มันไหลได้เองจิตมันไม่ใช่เราหรอกมันไหลไปไหลมาได้เองนะ เราไม่ได้เจตนาว่าจะดูไม่ได้เจตนาที่จะฟังมันไปดูได้เองมันไปฟังได้เองมันไปคิดได้เองมันทํางานได้เองอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาคือเราเห็นความเป็นอนัตตาของจิตจิมทํางานได้เองหรือเราดูไปจิตสุขก็อยู่ชั่วรคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วรคราวจิตที่เป็นกุศลก็อยู่ชั่วรคราวจิตที่เป็นอกุศลก็อยู่ชั่วรคราวนี่ก็คือการเดินปัญญาเห็นอนิจจังของจิตเห็นความเป็นอนิจจังของจิต หรือดูบางทีก็เห็นเป็นอนัตตาเช่นจิตจะมีราคะเราไม่ได้เจตนามันมีของมันเองจิตจะมีโทสะเราไม่ได้เจตนามันมีของมันเองจิตจะฟุง้งซ่านจิตจะสงบสั่งมันไม่ได้ตรงที่เห็นว่าสั่งมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็คือเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการเดินปัญญาที่แท้จริงเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะนั้นถ้าจะดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ย ไม่ใช่ไปดูตัวจิตนิ่งๆว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปลุงไม่แตะ น, นั้นเรื่องของสมถะไม่ใช่การส่งจิตไปที่โน้นส่งจิตไปที่นี่นะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วก็เห็นทุกอย่างนั่นแหละทํางานของมันธาตุขันทั้งหลายมันทํางานของมันได้เองถ้าจะดูจิตก็เห็นจิตมันทํางานได้เองนะจิตมันมีความสุขขึ้นมาเราสั่งไม่ได้ให้สุขสุขเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ มีแต่เรื่องควบคุมไม่ได้ควบคูมไม่ได้คือเห็นอนัตตาจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้ฟุ้งซ่านเออเฉยๆก็ไม่เที่ยงพอมันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันมันอีกฟุ้งซ่านก็หายไปเออฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะ<ม>เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นอนัตตานี่แหละเรียกว่าเดินปัญญาไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่ว่าถูกเลยนะท่านว่าเดินอย่างนี้ช่วยตัวเองได้แล้ะแล้วมีจิตตั้งมั่นนะ แล้วก็ค่อยรู้ทันการทํางานไม่ใช่ไปตั้งแล้วก็ไปเพ่งให้นิ่งอยู่เฉยๆหลวงปู่ดุลท่านไปเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนให้ท่านดูจิตสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมที่ว่าดูจิตดูจิตอ่ะท่านดูจิตตสังขารนะ ก็คือการทํางานของจิตนั่นเองเช่นเรานั่ ง, น, งนั่งอยู่ดีๆนะสัญญามันผุดขึ้นมาหน้าของคนคนนึงซึ่งเราลืมไปนานแล้วโผล่ขึ้นมาใครเคยเป็นมไหมอยู่ๆเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้เจตนาเลยนะสัญญามันทํางานนะสัญญามเป็นอนัตตานะทำงานขึ้นมาพอหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาสัญญาทํางานแล้วสังขารปรุงต่อนึกออกไหมอ๋ออินังนี่มันร้ายอยู่ๆก็ไปคิดถึงเขานะจิตมันไปคิดนะเราไม่ได้เจตนาเลย พอพอมันไปคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมันต่อเลยมันปรุงต่อสังขารปรุงต่อเลยเกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้อย่างนั่งนั่งอยู่นะนึกถึงครูบาอาจารย์ขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะนึกนสัญญามันผุดขึ้นมาสังขารปรุงต่อเลยปรับรื้มใจเคยไปฟังท่านเทศท่านอบรมสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมจะเห็นเลยว่าสัญญามันทํางานสังขารมันก็ทํางาน จิตมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้มันจะปรุงดีมันจะปรุงชั่วมันจะปรุงสุขมันจะปรุงทุกห้ามมันไม่ได้แต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลมาเนี่ยให้ดูความปรุงดีปรุงชั่วให้ดูสังขารในพระไตรปิฎกก็มีพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาการสอนพระอินความจริงท่านสอนทีคณะขาด้วยแล้พระสารีบุตรไปนั่งฟังอยู่นะพระสารีบุตรบรรลุพระอรหรันต พระโมคคัลลาเขาได้ฟังพุทธเจ้าสอนบอกท่านไปถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่รัดสั้นธรรมะที่รัดสั้นเลยนะเพื่อถึงที่สุดเลยเป็นยังไงอะไรเป็นธรรมะที่สูงที่สุดในาศาสนาพุทธจุดหมายปลายทางของธรรมะอะไรเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดพอพระพุทธเจ้าแบบสอนบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเนี่ยตรงเนี้เป็นหัวใจของาศาสนาพุทธไม่ยึดอะไรสักอย่าง ทำยังไงจะไม่ยึดไม่ใช่น้อมใจให้ไม่ยึดไม่ใช่น้อมใจไปอยู่ในความว่างการน้อมใจไปอยู่ในความว่างก็คือความยึดนั่นแหละไปยึดความว่างงั้นไม่ใช่ของจริงนะเราอยากบรรลุมรคผลณิพานอยากเป็นพระอราหันต์ไม่ใช่ไปแต่งจิตให้ ว, าว่างๆการปรุงแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างเรียกว่าอาเนนจรพิสังขารการปรุงแต่งจิตนั้นทําได้3แบบนั่นอาปุญญาพิสังขารปรุงแต่งฝ่ายบาปปุญญาพิสังขารปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญ อาเนรชาพิสังขารปรุงว่างๆรากเง่าเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงว่างก็คืออวิชชาเพระฉนั้นไม่ใช่ไปบรรลุเพราะไม่ปรุงแต่งนะแต่ว่ารู้ทันความปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยในที่สุดก็เกิดปัญญาเลยจิตนี้ไม่เที่ยงความปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ความปรุงแต่งทั้งหลายก็บังคับไม่ได้ไม่มีอะไร นะที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่เที่ยงมนะเห็นซ้ำไปซ้มาใจยอมรับใจยอมรับนั่นแหละเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมถ้ายอมถึงขีดสุดนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในขันนะจะเห็นว่าทมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานตรงนี้เองเพราะมีปัญญาแจม่มแจ้งเห็นความจริงแล้วทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษ งั้นถ้าอยากอยาบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างันนั้นไม่เดินปัญญานั้นเป็นสมถะถ้าจะเดินปัญญานะดูมันทํางานอย่างที่หลวงปูดด่ดูลูเนี่ยท่านดูสังขารที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคลลาสอนให้ดูเวทนาการดูจิตนะจะดูสังขารก็ได้ดูเวทนาก็ได้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันจะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นที่ใจ วางทีก็เกิดเฉยๆถ้าอารมณ์มันเพลีนมากธรรมดามากงั้นอารมณ์ที่เกิดที่ใจนะความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดที่ใจมีสมอย่างไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็มีเท่านั้นเองทั้งวันมีอยู่เท่านี้เองไม่ต้องดูเยอะถ้าดูสังขารดูเยอะนะสังขารก็มีสมอย่างสังขารที่เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปสังขารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมี3มอย่างแต่แต่ละอย่างนะั้นมีลูกมีหลานเยอะ สังขารฝ่ายที่เป็นบุญก็เยอะแยะไปหมดเลยอย่างศรัทธาวิริยะนะสติปัญญาเนี่ยกิริโอตตา ป, ปะอะไรเนี่ยนี่เป็นสังขารที่เป็นบุญมีให้ดูเยอะเลยนะสังขารที่เป็นบาปก็เยอะแยะโลภโกรธหลงอิจฉาฟุ้งซ่านหดหูนะท้อแท้เหี่ยวแห้งใจรู้จักเหี่ยวแห้งใจไหมใจเหี่ยวแห้งเซงรู้จักไหมเซงเซงเป็นโกรธไหมอยู่ในตระกูลโทสะ แต่ความรู้สึกไม่เหมือนกับโกรธใช่ไหมโกรธไม่เหมือนที่เราโกรธอิจฉาสารพัดเลยกังวลเครียดความรู้สึกฝ่ายเลวี่ก็เยอะแยะเลยความรู้สึกฝ่ายดีก็เ ย, ยอะแยะเลยสังขารฝ่ายดีก็เ ย, ยอะแยะสังขารกลางๆก็มีสมัธิตัวรูปตัวอะไรที่นะเป็นสังขารฝ่ายเป็นกลางๆนะงั่นถ้าดูความปรุงแต่งนะสังขารมีให้ดูเ ย, ย, ah นะยอะเยอะมหาศาลเยอะแยะเลย ถ้าดูไม่ไหวลองมาดูเวทนาเวทนามีสามอย่างเองไม่แตกลูกแตกหลานไม่สุขก็ทุกถ้าไม่สุขไม่ทุกก็เฉยเฉยในใจเราก็ามีเท่านี้ทั้งวันเฝ้าดูลงไปดูลงไปจนเห็นความจริงความสุขก็ชั่วคลาวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะเฉยเฉยก็ชั่วคราวดูจนเห็นอย่างนี้นะดูสังขารสุดท้ายมันก็จะลงมาที่เวทนาเช่นกัน เช่นกูศนเกิดแล้วเรายินดีพอใจมีความสุขเวลากูศลเกิดมีความสุขใช่ไหมพอมีความสุขเราก็ไปยินดีพอใจในความสุขอีกแต่มากูศนหายไปความสุขก็หายไปเนี่ยเวลาเห็นจะเห็นสังขารแล้มาต่อมาเห็นเวทนาต่อได้ด้วยสุดท้ายมันก็ลงมาที่เดียวกันนะมันเห็นเลยว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวจนะลงมาตรงนี้พอเห็นว่าสุขทุกข์ชั่วคราวแล้วใจจะเป็นกลางต่อเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยของอะไรตัณหานับกันใหญ่ว้าไม่แม่นเลยในะธรรมะธรรมะไม่อยู่ในใจอย่างเนี้ยธรรมะอยู่ในสมองรีพลิกนะแล้วธรรมะอยู่ในใจรู้เลยเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหานะถ้าเวทนาเนี้ยปลูกแต่งจิตไม่ได้ตัณหาไม่มีหรอกไม่เกิดหรอก ถ้าเวทนาเกิดขึ้นสักแต่ว่าเวทนานะจิตไม่หลงยินดีในเวทนาตันหาไม่มีงั้นเนี่ยมันตัดต้นทางของปฏิจจสมบัทไปเลยดูให้ท้าวทันนะก็มีตันหาคราวนี้จิตจะปรุงสังขารจะทํางานลนะอันนี้เพราะฉนั้นตัวเวทนามัน เ, เป็นต้นทางอีกทีหนึ่งแต่ถ้าลึกลงไปนะจนถึงอวิชชานะตัวสังขาร น, นะนะั่นแหละเป็นต้นต่อปรุงต่อต่อกันมาจน ถ, ถึงจะมาเกิด เวทนามันจะหมุนไปหมุนมานะวัตจักงั้นจะดูปฏิจจสมบัติจะตัดตรงไหนเรียนรู้ให้เห็นความจริงของสังขารก็ได้สังขารทั้งหลายไร้สาระสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นนําความทุกข์มาให้เป็นอย่างนี้ก็ได้หรือดูเวทนาเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นใจก็เป็นกลางอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะดูนะแล้วแต่ถนัดของแต่ละคน แต่ ถ, smoothie, ถ 1, ้าดูเป็นถึงจุดหนึ่งจิตก็จะหยุดหยุดความปรุงแต่งมันหมดความยินดียินร้ายนั่นเองมันก็หมดความปรุงแต่งเห็นสังขารไปเห็นก <aliens> ุศลเกิดแล้วก like ็ดับเห็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับต่อไปกุศลเกิดก็ไม่หลงยินดีอกุศลเกิดก็ไม่หลงยินร้ายเป็นกลางเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับเห็นความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะเห็นมากเข้ามากเข้าต่อไปจิตก็เป็นกลางนะสุขเกิดก็เป็นกลางทุกข์เกิดก็เป็นกลาง ตรงที่เป็นกลางเพราะเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้เป็นกลางที่สําคัญไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งนิ่งว่างๆงแล้วบอกเป็นกลางอยู่ไอ้นั้นไม่เป็นกลางไอ้นั้นยินดีในความนิ่งความ sure. วาม่างการที่จิตเราเดินปัญญาจนเต็มที่แล้วนะเห็นความจริงเลยว่าขันทั้งหลายหร boats, ือเห็นว่าจิตทั้งหลายทุกชนิดเวทนาทั้งหลายสังขารทั้งหลายรวมความก็คือเห็นขันทั้งหลายเป็นของธรรมดาเกิดแล้วดับไป เกิดระดับไปนะบังคับไม่ได้เห็นมันเป็นธรรมดาใจไม่ดิ้นรนใจไม่ตื่นเต้นความสุขเกิดขึ้นไม่ตื่นเต้นความทุกข์เกิดขึ้นไม่ตื่นเต้นใจไม่ปรุงต่อเกิดขึ้นมาแล้วสุขทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วนะใจเป็นกลางอยู่นั้นไม่ปรุงต่อเมื่อใจไม่ปรุงต่อนะนิโรธคือนิพพานเนี้ยจะปรากฏให้เราเห็นไม่ใช่เกิดขึ้นนะนิพพานมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็น ตรงที่เราไปเห็นนิพพานนั่นแหละเราเกิดอริยามรรคเกิดอริยผลนะมีมีมรรคจิตมีผละจิตเนะี่ยไปเห็นนิพพานได้ถนะ้าจิตอื่นๆไม่เห็นนิพพานออกนะเพามรรคจิตผละจิตนะีน้่เราค่อยฝึกนะฝึกไปเรียนรู้ความจริงถ้าเรียนมากเข้ามากเข้าใจจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเป็นกลางใจไม่ปรุงแต่งเมื่อใจไม่ปรุงแต่งใจจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพาน ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตไม่หลงไปปรุงอีกนะเห็นพระนิพพานแล้วแจมแจ้งแล้วด้วยปัญญาแจมแจ้งในกองขันขันทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนๆการที่แจ่มแจ้งในกองขันนี่แหละเรียกว่ามีวิชาล้างอาวิชาไปแล้วอวิชานะั้นจิตมันไม่แจมแจ้งในขันว่าเป็นตัวทุกขนะ์ไปกินข้าวไปนิมนต์ครับนิมนต์